ตั้งกิจที่ฐานเสร็จแล้วเอาล่ะใชถ้าวันธรรมดาถ้าฝนไม่ตกมันเป็นไร่าพอตอนขํามมาแล้วกันลงไปเดินอย่างกลมถ้ามันเหนื่อยถ้ามันง่วงลบไปเดินไปเดินขึ้นมามานั่งในที่แจ้งแจ้งสว่างออกนั่งกันเดินแต่มันทาลุ่นที่สุดก็คือวันฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะวะโอ้ออกไปก็ออกไปไม่ได้ฝนตกเอท่านนั่งเข้าไปกันมิต่จะหลับลูกเดียว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 ก็คือพัดให้พระพุทธเจ้าอากาศคงจะร้อนนี่ที่ถ้ำสุกรขาตาเอใครโมโหความไม่พอใจมีก็ก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพอไปกราบพระพุทธเจ้าก็าทีข้านักข่เนี่ยแปลว่าเป็นผู้ไว้เล็บยาวศาสตร์เป็นศาสนาหนึ่งเอใครครับว่ามูดหนวดยาวมีไม่นุ่งผ้ามีไว้เล็บยาวมีลักษณะอย่างนั้นน่ะมีหลาย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 ทีคณะเธอควรไม่พอใจในความคิดเห็นอันนั้นของเธออีกด้วยพอพระพุทธองค์พูดตรจบท่านั้นภาษารลบุตรที่ถวายงานพัดอยู่ได้สำเร็จเป็นพระรหันในคำพูดคำนี้แหละให้แค่เขาบอกอันนั้นในใจของนั้นให้แค่เขาให้ปล่อยวางอย่าไปให้ความสาคัญในความคิดเห็นอันนั้น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 ทะเลทรายไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยถ้าาว่าต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราได้เป็นอาจารย์นะเป็นอาจารย์อย่างหลวงพอ่อเนี่ยแหละเป็นอาจารย์ที่เราก็ทำอย่างนี้เราพอใจไหมเราพอใจในการกระทำของเราไหมเมื่อเราเมป็นอาจารย์ลูกศิษย์อย่างเราก็ทำอย่างนี้นะเมื่อเราเป็นอาจารย์คงจะดีใจหัวเลาะทั้งวันอย่างนั้นใช่ไหมหัวเลาะทั้งวันในลูกศิษย์